กที่จะกระทำให้ทำต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำฝ่ายเหตุหรือทำฝ่ายผลทำฝ่ายเหตุก็คือสติสมาธิปัญญาทำฝ่ายผลก็คือ มักผลนิพพานวิมุติหลุดพ้นทำเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุนถ้าขาดความเพียรแล้วทำต่างๆเหล่านี้จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้เหมือนกับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆ จะเจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องมีฝนมีน้ำฝนน้ำนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผู้สนับสนุนให้ต้นไม้ใบหญ้าต่างๆจเจริญงอกงามขึ้นมาที่ไหนไม่มีฝนไม่มีน้ำที่นั่นก็จะกลายเป็นทะเลทรายไป ที่ไหนมีฝนมีน้ำที่นั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ชั้นใดทมต่างๆที่พทธเจ้าทรงแสดงทรงสอนก็เป็นอย่างนั้นที่ไหนมีความเพียรที่นั่นย่อมมีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิมุติหลุดพ้น มีมรรคผลผนิพพานถ้าบำเพ็ญเพียรได้อย่างสม่ำเสมออย่างที่พระองค์ได้ทรงตัดสอนไว้ในพระสติปัฏฐานสูตรผลต่างๆคือมรรคผลผนิพพานย่อมปรากฏขึ้นมาได้ภายในเจ็ดวันบ้างเจ็ดเดือนบ้างหรือเจ็ดปีบ้างอย่างแน่นอน เพราะความเพียรเป็นเหตุที่จะทำให้ทำต่างๆเกิดขึ้นมานั่นเองถ้ามีการบําเพ็ญเพียรผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้ามีการรดน้ำพรวนดินอยู่อย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ตอนมาย่อมจเจริญเตอบโตขึ้นไปตามลำดับและออกดอกออกผลให้ได้ตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนนี่ก็คือเรื่องของความเพียรที่เป็นปัจจัยที่สนับสนุนธรรมะต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีไว้เป็นเครื่องมือ ไว้เป็นผู้ที่จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆการที่จะทำให้เกิดความเปียนได้ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาศัยฉันทะความยินดีในการที่จะ ศึกษาในการที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและจําเป็นที่จะต้องมีการเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายที่กําลังเดินเข้ามาหาเราอยู่เรื่อยๆ เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจไม่เกียกรติคานเพราะความเกียกรติคานไม่ได้ทำให้ทำที่เราต้องการปรากฏขึ้นมานั่นเองแต่ความขยันเหมือนเพียรจะทำให้ทำต่างๆที่เราปรารถนาปรากฏขึ้นมาเราจึงต้องระลึกถึงความแก่ ความเจ็บความตายอยู่ทุกวันทุกเวลามีเวลาว่างเวลาไหนขอให้เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายไว้เสมอเพื่อจะได้เตือนใจเราว่าเวลาเรามีน้อยลงไปทุกขณะทุกวินาทีไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวนานขึ้นแต่ชีวิตของเราจะสั้นขึ้น สิ่งที่ยาวขึ้นก็คืออายุเท่านั้นเองเช่นอายุเราก็จะยาวขึ้นไปจาก20ก็เป็น30 30ก็เป็น40 50ไปแต่ชีวิตมันสั้นลงสั้นลงยิ่งอายุสูงขึ้นเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นดังนั้นควรที่จะระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อย เ, เช้าขึ้นมาก่อนจะทำอะไรก็ให้นึกถึงทำอันนี้ได้เลยว่าอันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องหมดไปชีวิตของเราก็จะต้องมีน้อยลงไปตอนที่เราจะนอนก็คิดให้ว่าให้คิดว่าวันนี้เวลาของเราที่มีคุณค่ากับการบาเพ็ญกับการปฏิบัติ ก็ได้หมดไปอีกวันหนึ่งแล้วเราได้บาเพ็ญความเพียรมากน้อยเพียงไรเราได้เข้าใกล้มรรคผลนิพพานมากน้อยเพียงไรนี่คือเป็นสิ่งที่เราควรที่จะตระหนักอยู่เรื่อยๆดีกว่าไปกังวลกับเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ว่าเขาจะพัดพาจากเราไปเขาจะเป็นอะไรไป ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้เราเกิดมีความภาคเพียรเพิ่มมากขึ้นไป <c oughs> เราต้องการหาสิ่งต่างมากระตุ้นความเพียรของเราสิ่งต่างๆก็ได้แก่ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัสรู้พระธรรมอนเสรฐ พระธรรมที่จะพาให้จิตใจของสัตว์โลกได้หลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเกิดว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นให้มีความเชื่อในพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยความ ขยันหมั่นเพียรจนใ น, นที่สุดก็ได้ดูดพน้นจากกองทุกข์ทั้งหลายแล้วก็มาทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการนำเอาคำสอนอันประเสริฐอันวิเศษนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปมาเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุ ให้พยายามปฏิบัติกันอย่าประมาทนอนใจให้คิดว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราก็ได้เพราะไม่มีใครรู้ว่าจะตายเมื่อไหร่กันวันนี้มีคนตายมากมายที่เขาไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันตายของเขาแล้วเราอาจก็อาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่า น, นั้นก็ได้เราควรจะคิดอย่างนี้ เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทนอนใจเราจะได้รีบเร่งขวนขวายสร้างทมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราจเจริญกันอย่าไปเสียเวลากับการกระทาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญให้จเจริญ พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ไปบำให้ไปเจริญในราภยศสรรเสริญไม่ได้สอนให้เจริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาเจริญทานศีลภาวนากันมาบําเพ็ญกันนี่คือความเพียรที่เราควรที่จะพุ่งไป อย่าไปขยันหาเงินหาทองมาจนไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนจะเอาไปใช้อะไร เ, เงินทองก็มีไว้สําหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเท่านั้นถ้าเรามีเงินทองพอที่จะเลี้ยงดูร่างกายของเราแล้วเราก็ควรที่จะหยุดได้แล้วควรที่จะเอาเวลา ที่มีคุณค่านี้มาดูแลจิตใจเราเพราะจิตใจเรานี้เป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วร่างกายนี้ต่อให้เราดูแลด้วยทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมากนัยมากน้อยเพียงไรร่างกายมันก็ําไม่พ้นที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันหมด ขอทานข้างถนนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมาเศรษฐีที่อยู่ในขา้าวอันใหญ่โตก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันเวลาตายไปก็ผลก็เท่ากันมีมากมีน้อยก็ต้องทิ้งวัดไปหมดเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยจิตใจที่ไม่ได้บำเพ็ญก็จะเอาแต่ความทุกข์ไป เอาแต่กิเลสตัณหาไปจิตใจที่ได้บำเพ็ญก็จะเอาความสุขเอาความสงบไปนี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะนักควรที่จะตรหนักและควรที่จะคำนึงอยู่เรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ไม่หลงละเลย อ, อยู่กับการหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจและเป็นโทษแก่จิตใจเพราะจะทำให้จิตใจจะต้องติดกับของการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั่นเองเราก็ควรที่จะสร้างศรัทธาขึ้นมาสร้างฉันทะคือความเย็นดี ที่จะบำเพ็ญที่จะปฏิบัติขันตป้นก็ต้องะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการศึกษาพระพุทธรประวัติก็ดีศึกษาพระประวัติของพระอาหารหันตปสาวกทั้งหลายก็ดีศึกษาคำสอนของท่านเมื่อเราได้ศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็จะมีศรัทธาความเชื่อ เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงว่าองหลานตสาวกมีจริงท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติจนทาให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วท่านก็เอาวิธีของการบำเพ็ญ น, นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราอีกที่หนึ่งเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ จากวิธีที่จะบำเพ็ญที่จะปลดปล่อยจิตใจของเราให้หลุดออกจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดออกจากกองทุกข์ที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะขวนขวายจะสนใจกับการศึกษาธรรมะจะสนใจกับการฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากันกระทำกันในวันนี้ท่านก็มาด้วยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อยากจะศึกษาอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปปฏิบัติเพราะเราก็อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย เราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่มันคอยเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้เราเชื่อในศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงของแท้เป็นรัตนะแท้เพชศในโลกนี้เพชศพลอยต่างๆในโลกนี้ต้องไม่ถือว่าเป็นเป็นรัตนะแท้ คือไม่มีคุณค่าอะไรกับจิตใจเราไปให้คุณค่ากับเพชรพอยต่างๆเองความจริงแล้วเพชพอยต่างๆนี้ไม่มีคุณค่ากับจิตใจหรือกับร่างกายเลยเป็นเหมือนก้อนหินก้อนกรวดดีๆนี่เองแต่เนื่องจากความหลงมาครอบนอนนำจิตใจของสัตว์โลกแล้วก็ไปสมมุติให้คุณค่าราคา ต่อเพชรพลอยต่างๆจึงทำให้ของที่ไม่มีคุณค่าราคากับกลายเป็นของที่มีคุณค่าราคาขึ้นมาแต่ถามจริงๆเถิดเอามากินได้หรือเปล่าเวลาไปหลงอยู่ในป่าไปเจอเพชรพลอยกับไปเจอกล้วยนี่จะเอาอะไรดีนั่นละ่ะคุณค่าประโยชน์ของมันมันไม่มีเลยกับจิตใจก็ไม่มีคุณค่าอะไร ไม่สามารถดับความทุกข์ได้เวลาที่เกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจเวลาร่างกายหิวก็ไม่สามารถนามามารับประทานได้ทล้วทำไมต้องไปเสียเงินเสียทองที่หามาด้วยความยากเย็นลำบากเพื่อไปซื้อของเหล่านี้มาทำไมมีตอนนี้มีการประมูลมีการขายเพชรเม็ดใหญ่ เขาประมาณว่าจะได้ประมาณยี่สิบล้านเหรียญเพชรก้อนหนึ่งยี่สิบล้านเหรียญเงินเหรียญละสามสิบกบาทก็หกร้อยล้านกาบายหกร้อยล้านกาบาทเพื่อซื้อก้อนหินมาก้อนหนึ่งเท่านั้นเองซื้อมาแล้วได้อะไรจากก้อนหินก้อนนั้นกินก็กินไม่ได้เวลาทุกข์ใจก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้นี่แหละคือเรียกว่า รัตนะปลอมรัตนะจริงนี้ต้องให้ความอิ่มใจให้ความสุขใจกับเราถ้าเรามีรัตนะจริงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้วใจของเราจะมีแต่ความอิ่มเอิบใจมีแต่ความสุขใจไปตลอดเวลาแม้จะอดข้าวอดน้ําอดอะไรต่างๆเป็นเวลาวันๆ ก็จะไม่รู้สึกวุ่นวายเดือดร้อนไม่เหมือนกับผู้ที่มีเพชรราคาหกร้อยล้านอยู่ในกำมือเวลาที่ร่างกายหิวนี่ก็ต้องทุกขทรมานใจเวลาใจเศร้าโศกเสียใจก็ต้องทุกขทรมานใจเพราะเพชรราคาหกร้อยล้านบาทนี้ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์อะไร ให้กับร่างกายหรือจิตใจได้เลยแต่ความหลงโมหะอวิชชาทำให้สัตว์โลกกลับไปสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์กับตนสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับตนนั้นกลับไม่รู้จักหรือกลับไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่ออย่าง พวกที่ไม่รู้จักก็คือพวกที่เกิดนอกศาสนาพวกที่เกิดอยู่ในต่างประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนคอยสอนคอยบอกหรือพวกที่เกิดมาในเมืองไทยเกิดอยู่ในเมืองพุทธแต่กับไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่สนใจที่จะเข้าวัดไม่สนใจที่จะศึกษา สังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้ามัวใช้เวลาหาเงินหาทองแบบไม่รู้จักเ ว, เวลาหาได้เท่าไหร่ก็ยิ่งอยากจะได้มากขึ้นไปเท่านั้นนี่คือเรื่องของมูหะอวิชชาความหลงความมืดบอดครองำาจิตใจทาให้เห็น ผิดเป็นชอบไปเห็นทาให้เห็นของปลอมเป็นของจริงไปทาให้เห็นของจริงเป็นของปลอมไปคนที่ไม่เข้าห า, าศาสนาไม่เข้าวัดเข้าวามก็จะมองศาสนาว่าเป็นของงมงายไปเป็นของไร้สาระไม่เหมือนกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มาซื้อ เพชรนินจินดาต่างๆมาสะส ม, สมเอาไว้เป็นสมบัตินี่คือความเห็นผิดเป็นชอบ เ, อเห็นเห็นรัตนะว่าเป็นเป็นหินเป็นกวดส่วนเห็นก้อนห็นก้อนกวดนั้นเป็นเพชรนินจินดาไปเป็นลัตนะไปพอเวลาที่จะต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้ S <S <an> ก็พึ่งไม่ได้วิธีที่จะวัดว่าอะไรเป็นของแท้ของจริงก็ต้องวัดด้วยเวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาว่าอะไรดับความทุกข์ใจได้อะไรดับความทุกข์ใจไม่ได้เพราะทำคาสอนของพระพุทธเจ้านี้ดับความทุกข์ใจได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ได้พิสูจน์มาแล้วพระพุทธเจ้านี้ หลังจากได้ตัดสรูได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคําว่าทุกข์อยู่ภายในพระทัยของพ่อองค์อีกต่อไปพระทัยของพ่อองค์มีแต่ปามังสุขขังมีแต่บรมสุขคือมีความสุขตลอดเวลาไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันลดน้อยถอยไปตราบจนถึงทุกวันนี้พระทัยของพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนความสุขในพระทยของพ ร, พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนในสมัยที่ที่พระองค์ยังมีสรีระร่างกายอยู่ในโลกนี้แต่พอหลังจากที่สรีระร่างกายของพระองค์ได้ถึงวาระของการยุติลงพระทัยของพระองค์นั้นก็ยังไม่ได้ยุติไปกับ พระสรีระของพระ อ, องค์พระไทยก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนในสมัยที่มีพระสรีระร่างกายอยู่ความสุขที่มีอยู่ภายในพระไทยของพระ อ, องค์ก็ยังมีอยู่เต็มเปลี่ยนจะตาบมาจนถึงปัจจุบันนี้และก็จะไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือสารณะหรือรัตนณะที่แท้จริง รัตนะที่แท้จริงต้องเป็นที่พึ่งของใจได้ต้องดับความทุกข์ของใจได้ต้องให้ความสุขให้ความอิ่มน้ำสำราญใจแก่ใจได้ถ้าทาไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นรัตนะที่แท้จริงนั่นเองเช่นเพชรนินจินดาต่างๆไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ ไม่สามารถให้ความสุขแบบปรมังสุขขังได้ไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายนี้หายจากความหิวได้เวลาหิวรับประทานเพชรเข้าไปก็ไม่ทำให้อิ่มแต่อย่างใดดังนั้นขอให้พวกเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆด้วยการศึกษา จะเข้าผ่านทางพระพุทธเจ้าก็ได้ถ้าจะเข้าผ่านทางพระพุทธเจ้าก็ต้องผ่านทางพรทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ตอนก่อนที่จะจากไปว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปคือพรทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบ ท, ทุกบาท ที่ได้ทรงประกาศสั่งสอนและได้รับการจารึกไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นศาสดาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีใครที่จะสอนธรรมะให้กับเราเราก็เข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยเข้าไปศึกษารพระไตรปิฎกถ้าเรามีพระ อาหารหันตสาวกที่เราสามารถเข้าหาได้เข้าศึกษาได้เราก็เข้าหาพระอาหารหันตสาวกกันก็ได้ศึกษาจากท่านก็เหมือนกับได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าสามารถที่จะนำเอาคำสอนของท่านนี้มาบาเพ็ญมาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดได้ ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราได้ยินได้ฟังวิธีของการปฏิบัติได้ยินได้ฟังถึงผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเกิดฉันทะความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัตนะิถ้าเรามีฉันทะแล้วทีนี้เราก็จะมีวิริยะตามมาถ้าเราพอใจกับสิ่งใดชอบอะไรเรามักจะ ขวนขวากับสิ่งนั้นเวลาเราอยากได้อะไรเราจะไม่ขี้เกียจเราจะไม่เกียจค้านเราจะพยายามหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ฉันทะนี่ก็คือความอยากได้แต่เป็นความอยากได้ในในธรรมะในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่จิตใจท่านเรียกว่าฉันทะถ้าอยากในสิ่งที่เป็นโทษแก่จิตใจท่านเรียกว่าตันหาเป็นความอยากเหมือนกันแต่เป็นความอยากที่ต่างกันเพราะความอยากอย่างหนึ่งทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขอีกอย่างหนึ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความอยากที่เป็น ทำให้เกิดความทุกข์ใจนี้ต้องละอย่างเดียวอย่าไปเจริญอย่าไปบำเพ็ญอย่าไปสร้างมันขึ้นมาแต่ความอยากที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมานั้นต้องหมั่นบาเพ็ญบาเพ็ญอยู่เรื่อยๆหมั่นเจริญอยู่เรื่อยๆผู้ที่ได้ยินได้ฟังทำได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องจากมีศรัทธาความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะช่วยเราให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้สามารถช่วยเราให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้พอเรามีความเชื่อเราก็จะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ญาติโยมนั่นเข้ามา หากันในวันนี้แต่ถ้าญาตโยมไม่มีความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปเชื่อเรื่องของคุณใสไปเชื่อเรื่องของหมอดูไปเชื่อเรื่องของหวงจุย้ยญาตโยมก็จะไม่มาฟังเทกฟังธรรมไม่เข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ญาตโยมก็จะไปหาหมอดูไปหาหวงจุย้ยไปหาคุณใสต่างๆ่า ไปหาวิธีศาสตร์ต่างๆที่ยาตโยมเชื่อกันดังนั้นความเชื่อในพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าไม่เชื่อแล้วจะไม่สามารถเข้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ได้นั่นเองเมื่อมีความเชื่อแล้วก็จะคว้าหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วพอได้ยินได้ฟังพระธรรมพระสงฆ์ ก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาเกิดวิริยะตามมาทันทีเพราะเมื่อได้ฟังเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของการเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานก็ใจก็อยากที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาความเพียรก็จะมาทันทีความเพียรก็จะเพียรพยายามเจริญสติ ตามที่พุทธเจ้าส่งสอนให้เจริญในทุกอิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่คือการเจริญสติเบื้องต้นนี้ท่านบอกว่าให้เจริญด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเมื่อว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ ให้รู้อยู่กับการกระทานั้นๆทุกขณะทุกเวลานาทีถ้ามีการจดจอ่อเฝ้าดูอย่างต่อเนื่องใจจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้นี่เป็นอุบายเพื่อดึงใจให้มาให้หยุดความคิดปรุงแต่งนั่นเองเพราะถ้าใจไม่จดจอ่อไม่เฝ้าดูกับการกระทาของร่างกาย ใจก็จะล อ, อยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นนิสัยเดิมอยู่ปกติใจของเรานี้จะชอบคิดอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภยัยแก่จิตใจเพราะเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีนั่นเองทาให้ใจไม่สบายบ้างทาให้ใจอยากทาให้ใจโลภ ทำให้ใจโกรธแล้วก็จะนำไปสู่การกระทาที่จะเป็นโทษแก่จิตใจตามมาอีกต่อไปเช่นไปทำบาปต่างๆไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดตัเวณีไปพูดปดมดเทศโกหกหลอกลวงไปดืม่มชซลายาเมาแล้วก็ผลต่างๆที่ไม่ดีก็จะปรากฏตามมา ใจก็จะร้อนใจก็จะทุกข์จะวุ่นวายใจจะหวาดระแวงหวาดกลัวนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้กระทำบาปไปแล้วแล้วผลที่จะส่งตามมาต่อไปก็คือบาปนี้จะเป็นผู้ที่จะฉุดลากใจให้ไปสู่อบายนั่นเอง ไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปสู่การตกนรกมีเป็นเพราะว่าไม่มีสติคอยควบคุมความคิดตรุงแต่งนั่นเองใจจึงไปสู่สุขติไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้ใจ ก, ก็จะไหลไปสู่อมายอย่างนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติ จำเป็นจะต้องเพียนในเบื้องต้นก็คือเพียนเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนให้มันเป็นสัมปชัญญะคือมีการรู้อยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตลอดเวลาไม่ไปรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ารู้จําเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นก็เล็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดด้วยการมีสติคิดด้วยความ จดจอกับความคิดนั้นคิดแล้วคิดให้เสร็จเสร็จแล้วก็หยุดคิ ด, ค, ดคิดเฉพาะกิจเฉพาะการมีเรื่องอะไรที่จะต้องคิดก็คิดไปคิดเสร็จแล้วก็หยุดแล้วก็กลับมาเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายต่อไปเวลาร่างกายเดินก็อยู่กับการเดินเวลาร่างกายยืนก็อยู่กับการยืน เวลานั่งก็อยู่กับการนั่งเวลาเดินก็อยู่กับการเดินไม่ต้องไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาเดินก็กำลังก้าวเท้าซ้ายก็ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าขวาก็ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าขวาให้รู้แค่นี้เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นเองถ้าเดานั่งเฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหว ก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกที่บริเวณปลายจมูกบริเวณที่ลมสัมผัสเวลาเข้ามาหรือออกไปไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้ดูเฉยๆดูเพื่อที่ไม่ให้เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาใดไม่ได้ดูปับ๊บเวลานั้นใจจะเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ท, ทันทีถ้ารู้ว่าไม่ได้เฝ้าดูลม ถ้ารู้ว่ากำลังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเดินกลับมาดูลมให้ได้หรือถ้าใจอยากจะคิดก็ให้คิดเกี่ยวกับอาการต่างๆของร่างกายก็ได้เช่นอาการ32คิดตั้งแต่ผมขึ้นไปผมขนแด้ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก ตอนต้นก็นึกชื่อเขาไปก่อนก็ะท่องไปก่อนอาการสิบสามสิบสองอาการด้วยกันท่องชื่อไปทั้งอนุโลมและปฏิโลมผมคนแลกฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสล น้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำแมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูกนี่คืออาการสามสิบสองที่มีอยู่ในร่างกายนี้เสร็จแล้วก็ท่องถอยหลังกลับมาตลับมาจนมาถึงผมแล้วก็กลับไปใหม่ทำอย่างนี้ไปกลับไปกลับมาก็ได้ถ้าใจอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิด เกี่ยวกับอาการ32นี้แล้วใจจะเย็ยนใจจะว่างใจจะสงบจะสบายและจะรู้จักร่างกายดีขึ้นหรือว่าร่างกายนี้ไม่มีอะไรมีเพียงอาการ32ไปในร่างกายนี้หามีตัวมีตนไหมตัวตนนี้เป็นความคิดของใจขึ้นมาเองคิดว่าใจอยู่ในร่างกายคิดว่า ใจเป็นร่างกายแต่พอใช้ปัญญามาแยกแยะ ก, ก็มาไม่เห็นว่ามีส่วนไหนที่เป็นใจไม่มีส่วนไหนที่มีตัวมีตน ม, มีแต่อาการส2สิองแล้วถ้าวิเคราะห์ต่อไปเวลาร่างกายนี้ยุติการทำงานเมื่อไม่มีลมหายใจเข้าออกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าร่างกาย ไม่หายใจแล้วปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันก็ต้องเนา่าบวมผุพองขึ้นมาแล้วน้ําต่างๆที่อยู่มีในร่างกายมันก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆนี่เป็นการแยกธาตุให้เห็นเลยว่าร่างกายนี้มีธาตุอะไรบ้างธาตุน้ําคือน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหงื่อน้ําอะไรต่างๆมันก็จะ ไหลออกมาตามทวารต่างๆแยกออกจากธาตุดินคืออาการที่แข็งอาการที่เป็นชิ้นเป็นอันเช่นอวัยวะต่างๆแต่มันก็จะเหมือนกับยางของรถยนต์เวลาลมไหลออกจากยางรถยนต์ยางมันก็จะแฟบลงไปร่างกายก็เหมือนกัน ต่อไปถ้าน้ำไหลออกมาจนหมดร่างกายมันก็จะแฟบลงไปอาการต่างๆเช่นหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะต่างๆมันก็จะแฟบมันก็จะแห้งกรอบทิ้งไปนานๆมันก็จะโผจะเปื่อยแล้วก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือการแยกของธาน้ำกับธ า, านุดินออกจากกัน ธาตุน้ํากับธาตุดินเวลาที่อยู่เวลาร่างกายมีชีวิตอยู่นี้มันจะมีอยู่ด้วยกันเช่นอวัยวะต่างๆนี้ส่วนมากจะมีธาตุน้ํากับธาตุดินผสมกันอยู่ยกเว้นกระดูกที่มีธาตุดินเป็นส่วนใหญ่แต่ธาเป็นพวกตับไตลำไส้หัวใจปอด น, นี่จะมีทั้งธาตุดินและมีทั้งธาตุน้ําปนกันอยู่ แต่พอเวลาร่างกายหยุดทํางานธาตุน้ํากับธาตุดินก็จะแยกออกจากกันไปธาตุไฟก็หายไปตั้งแต่ที่ร่างกายหยุดหายใจร่างกายที่กลยมีความร้อนมีความอบอุ่นก็จะกลายเป็นร่างกายที่เย็นเฉียบไปลมที่เคยเข้าก็ไม่เข้ามีแต่ลม ที่เหลืออยู่ภายในร่างกายก็จะระเหยออกมาที่ที่เป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนานั้นเองนั่นก็เป็นธาตุลมนี่คือการแยกธาตุของร่างกายเราไม่ได้มาแยกเ ร, เรามาศึกษาการแยกธาตุของร่างกายเขาเองร่างกายนี้เขาเขาเป็นการรวมของธาตุแล้วก็เป็นการแยกของธาตุเวลารวมกันเข้ารวมกันอย่างไร ก็เวลาที่เขาดื่มน้ำเข้าไปก็เป็นการเติมธาตุน้ำเข้าไปเวลาหายใจเข้าไปก็เป็นการเติมธาตุลมเข้าไปเวลารับประทานอาหารเช่นผักข้าวต่างๆอาหารต่างๆก็เป็นการเติมธาตุดินเข้าไปนี่เรียกว่าเป็นการรวมธาตเพื่อที่จะได้สร้างร่างกายนี้ขึ้นมา สร้างอาการ32ทั้งหลายขึ้นมาแต่ร่างกายนี้มันก็มีขอบมีเขตมันไม่สามารถที่จะอยู่ไปชั่วฟ้าดินสลายได้มันเจริญได้ถึงขีดหนึ่งแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมลงไปคือเวลาที่เราได้เจริญอายุกลางวัยกลางเช่นถ้าเรามีอายุ80ปีโดยประมาณ พอเราถึงอายุ40สนี้ความเจริญก็จะเริ่มถึงขีดสูงสุดแล้วแล้วต่อไปต่อไปการเสื่อมก็จะเริ่มเข้ามาความเสื่อมก็จะมากกว่าความเจริญแล้วร่างกายก็จะแก่ลงไปแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายก็จะหยุดทำงานเวลาร่างกายหยุดทำงานเราก็เรียกว่าตาย ความจริงแล้วคำว่าเป็นว่าตายนี่มันเป็นเพียงแต่บง่งบอกของการทำงานหรือไม่ทำงานของร่างกายนี้เท่านั้นเองจรังๆร่างกายนี้มันไม่เคยเป็นและมันไม่เคยตายมันเหมือนกับรถยนต์ที่มันไม่เคยเป็นและไม่เคยตายมันมีแต่มันจะทำงานหรือจะหยุดทำงานเท่านั้นเองนี่ก็คือ เรื่องของการหยุดความคิดดึงความคิดมาคิดในทางที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจถ้าคิดแบบนี้จะทำให้ใจว่างใจเย็นใจสงบใจสว่างสว่างด้วยปัญญาไม่ได้สว่างแบบแสงพระอาทิตย์แสงไฟสว่างด้วยความเข้าอกเข้าใจอันนี้บางทีผู้ฟังนักจะ คิดว่าเวลานั่งแล้วเกิดแสงสว่างนี้เป็นปัญญาถ้าเป็นแสงสว่างของภาพนิมิตต่างๆนี้ไม่เรียกว่าปัญญาก็เป็นเรียกว่าเป็นแสงสว่างภายในเป็นแสงทิศไม่ได้เป็นแสงที่เกิดจากแสงไฟแสงพระอาทิตย์ที่เห็นด้วยตาเนื้อแต่เป็นแสงสว่างที่เห็นด้วยตาในคือตาทิศ เป็นแสงทิพย์ซึ่งก็ไม่มีสาระประโยชน์อันใดเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเหมือนกับแสงสว่างที่เห็นด้วยทางตาไม่มีคุณค่าสาระไม่ได้เป็นมากเป็นผลแต่อย่างใดไม่ใช่เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญานี้ต้องเห็นพระอริยสัจสี่ เช่นเห็นร่างกายนี้ว่าไม่มีตัวไม่มีตนเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพลงอาการสามสิบสองเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราแล้วถ้าละอุปทานได้ก็จะละตัณหาความอยาก ที่จะให้ร่างกายเป็นของเราไปนานๆได้เพราะมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันเป็นของเราได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง80ปี90ปีมันก็จะต้องหมดสภาพไปถ้าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยแสงสว่างปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้อยู่ไปไม่เกิน 80-90 ปีเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เป็นเพียงการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่จะต้องมีการยุติและมีการแยกออกจากกันไปในที่สุดเห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากไม่ให้ร่างกายอยู่กับเราไปนานๆนได้เพราะเราเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนิจจัง เกิดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปเมื่อ uh, ถึงเวลาก็จะไม่มีความอยากให้มันไม่ตายเมื่อไม่มีความอยากให้มันไม่ตายก็จะไม่กลัวตาย feeling, mentions, ความกลัวตายก็เกิดจากความอยากให้มันอยู <t <t <t <t ่นั่นเองก็ถ hmm ึงกลัวตายแต่ถ้ารู้ว่ามันต้องตายแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ก็ไม่มีความอยาก ที่จะไปห้ามันมันอยากจะตายก็ปล่อยมันตายไปมันก็จะหายกลัวมันก็จะไม่กลัวอะไรความกลัวก็คือความมืดบอดที่มองไม่เห็นว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายกันแต่ถ้าได้ศึกษาความเป็นจริงของร่างกาย ก็จะเห็นว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่เป็นของใครมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันก็จะกลับคืนสู่ที่เดิมของมันธาตุน้ำก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุน้ำธาตุดินก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุดินธาตุลมก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุลมธาตุไฟก็กลับไปรวมอยู่กับธาตุไฟ นี่แหละเจ้าของที่แท้จริงของร่างกายก็คือดิ่ม น, น้ำหมไฟธาตุสีนี้เองนี่คือปัญญาแสงสว่างแห่งปัญญาไม่ได้เป็นแสงที่เวลานั่งสมาธิแล้วสว่างสวยขึ้นมาแสงแบบนั้นไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรเป็นผลพลอยได้จากการทำใจให้สงบท่านั้นเองผู้ปฏิบัติต้องรู้ทันและอย่าไปหลง ไปคิดว่าบรรลุธรรมแล้วเพราะนั่งไปแล้วจิตสว่างสวายขึ้นมาแต่มันก็สว่างสวายชัวย่วขณะหนึ่งเวลาออกจากสมาธิมาแล้วความสว่างสวายนั้นก็หายไปหมดแต่ความสัญญาความความจําได้หมายรู้อุปทานความยึดมั่นถือมั่นกับแสงนั้นก็ยังยังมีอยู่ในใจก็ยังคิดอยู่ว่าตนได้แสงสว่างนั้นแล้ว ทั้งๆ ท, ที่มันหายไปไหนแล้วแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจได้แต่ก็ยังหลงคิดว่าตนเองได้บรรลุแล้วอันนี้แหละเป็นเสินที่ผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีผู้ที่ผ่านมาก่อนผู้ที่รู้ว่าอะไรเป็นแสงสว่างที่แท้จริงก็จะหลงได้ หลงแล้วก็จะเสียคนได้ที่เขาว่าปฏิบัติแล้วเป็นบ้าก็เพราะอย่างนี้ถ้าปฏิบัติแล้วไม่มีคอยคนคอยให้การปรึกษาให้คำแนะนําว่าเป็นอะไรกันแน่แล้วโดยที่ตอนเองคิดไปเองเหมาไปเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสที่เป็นบ้าได้แตนะ่ถ้ามี ผู้นำมีผู้สอนผู้ที่มีประสบะการณ์ผู้ที่มีความฉลาดที่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นแสงสว่างแบบไหนกันแสงสว่างแบบนิมิตหรือแสงสว่างแบบปัญญานี่มันไม่เหมือนกันถ้าแสงสว่างแบบปัญญานี้มันต้องดับความทุกข์ได้เช่นความทุกข์ที่มีอยู่กับร่างกาย ความทุกข์ที่มีกับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้ถ้าเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาถ้าเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นนุกขังเป็นอนัตตาก็จะสามารถดับความทุกข์ภายในใจที่ไปยึดไปติดกับร่างกายได้แต่แสงสว่างของนิมิตนี้ไม่สามารถดับได้อหลจาก สมาธิมาพอต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่สามารถเอาแสงสว่างของนิมิตนั้นมาดับความทุกข์ใจได้นี่คือเรื่องของการเจริญสติเรื่องของการเจริญสมาธิและปัญญาซึ่งบางครั้งมันก็เดินไปเหมือนกับเกือบพร้อมๆกันไปเลยถ้ามีสติใจจดจ่ออยู่การพิจารณาร่างกาย มันก็เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมันก็เป็นปัญญาขึ้นมาเห็นว่ามันเป็นอันิีจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางได้ละได้บรรลุได้ในขณะนั้นเลยก็มีดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงไม่มีรูปแบบตายตัวว่าจะต้องได้สติก่อนถึงจะได้สมาธิสมาธิได้แล้วถึงค่อยออกมา แล้วก็มาพิจารณาปัญญาแล้วถึงจะได้ปัญญาได้วิมุตติปลุดพ้นเวลาพูดนี่มันพูดได้แต่เวลาปฏิบัตินี่มันมีลักลากหลายรูปแบบด้วยกันจึงมีการบรรลุรำแบบต่างๆกันบางคนฟังเทศฟังธรรมก็บรรลุได้บางคนฟังธรรมจนหูเปียกปากหูฉีดปากฉีก็กบรรลุไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่การฟังธรรมมันอยู่ที่ใจว่าฟังแบบไหนฟังด้วยสติอย่างเดียวหรือฟังด้วยสติและสมาธิหรือฟังด้วยสติสมาธิและปัญญาไปพร้อมๆกันมันต่างกันคนจงฟังเทศบางคนก็บรรลุบางคนก็ไม่บรรลุเช่นเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมขั้งแรกต่อพระปัญจวัคคีย์มีพระ ปัญจะวัคคีย์ห้ารูปแต่เวลาทรงสแสดงทำเสร็จสึ้นเรามีเพียงรูปเดียวที่บรรลุทึงขั้นแรกได้คือขั้นโสดาบันแต่อีกสี่รูปนี้ยังไม่บรรลุเพราะการฟังนี้ฟังไม่เหมือนกันคุณธรรมที่จะทำให้บรรลุนั้นมีมีหรือไม่มีบางคนฟังด้วยสติแต่ไม่ได้ไม่ได้สติแบบต่อเนื่องสติแบบ ก็เกิดก ด, ดับๆัฟังแล้วก็เผลอไปคิดดั่อ ง, งนั้นเรืงนี้แล้วก็กลับมาฟังใหม่บางคนฟังแบบไม่มีเผลอเลยฟังอย่างต่อเนื่องอจิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่กับการฟังแล้วก็พิจารณาตามเหตุตามผลที่แสดงมาก็เป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เข้าใจก็บรรลุได้ทันทีเนี่ยสี่คนฟังห้าคนฟัง หนคนบรรลุอีกสคนไม่บรรลุเพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปแบบตายตัวในเรื่องของการปฏิบัติแต่ละคนนี้ก็ไม่มีบารมีหรือไม่มีความรู้ความสามารถที่เท่าเทียมกันแต่ละคนมีอุบายที่จะใช้ในการเจริญปัญญาที่แตกต่างกันไปที่จะทําให้สามารถมองเห็นไตรลักษณ์ได้แต่ละคนจึง มีการบรรลุชา้ามีการบรรลุเร็วแต่โดยหลักแล้วมันต้องมีธรรมทั้งสามนี้มันถึงจะบรรลุได้ต้องมีสติต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาถ้ามีสามส่วนนี้ก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้จดยไม่ต้องไปวิตกกังวลเวลาเราปฏิบัติว่าเราทำไมยังไม่มีอันนั้นทำไมยังไม่มีอันนี้ พอไม่มีแล้วก็ตัดพ่อไปว่าชาตินี้เราคงไม่มีโอกาสแล้วไปรีบสรุกเสียตั้งแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติได้เพียงไม่ไมกี่ชัว่วโมงไม่กี่วันพอไม่ได้ผลละตามที่ที่ได้ศึกษามาก็เลยคิดว่าตนเองไม่มีสิทธิ์แล้วเพราะชอบไปดูผู้ที่เ็าบรรลุ ก, กันง่ายบรรลุ ก, กันเร็ว ฟังเทศฟังธรรมกันครั้งสองครั้งก็บรรลุได้ไม่ไปดูผู้ที่เขาปฏิบัติเป็นปีๆเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบปีกว่าที่เขาจะบรรลุได้แต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันอย่างหลวงปู่ม่านนี่ท่านก็บรรลุช่วงอายุหกสิบกว่าขึ้นไปแล้วเพราะช่วงนั้นท่านไปบําเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่ตามนําพังช่วงระยะอายุระหว่างหกสิบถึงเจ็สิบปี ท่านถึงตามที่ตามที่หลวงตาเขียนประวัติของท่านท่านไปบรรุที่เชียงใหม่ท่านบรรุที่เชียงใหม่ก็ต้องอยู่ในช่วงอายุหกสิบถึงเจ็ดสิบปีท่านบวชตั้งแต่อายุยี่สิบเนี่ยย่นดูเลยเกี่สิบปีสี่สิบกว่าปีกว่าจะบรรุได้เราเพิ่งมาปฏิบัติกันวันสองวันก็พอไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาก็ยกทงขาวแล้วกลับบ้าน ไม่ปฏิบัติแล้วมันก็อย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะหยุดพ้นได้มันต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆจะได้ผลมากผลน้อยจะช้าหรือจะเร็วนี้เราก็ต้องบำเพ็ญของเราไปเพราะผู้ปฏิบัตินี้ท่านก็บอกแล้วว่ามีความแตกต่างกันอยู่สองอย่างคือกิเลสกับปัญญาพวกที่มีกิเลส กิเลสนาปัญญาทึบนี้พวกนี้ต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีพวกที่มีกิเลสบางปัญญาแหลมคมนี้เป็นพวกเจ็ดวันพวกสามวันพวกนี้ต่างกันเราอยู่ตรงไหนเราก็ควรที่จะประเมินตัวเราดูแต่บางทีมันไม่ได้อยู่เพียงแต่อยู่ที่ปัญญาทึบหรือกิเลสหนาะมันอยู่ที่ความเกียดข้ามด้วยตัวนี้ยิ่งสําคัญยิ่งร้ายกาจใหญ่ ถ้ามีตัวนี้แล้วก็ต่อให้มีอะไรมากมีอะไรน้อยมันก็ไม่มีวันที่จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเราต้องมากําจัดไอ้ตัวนี้ให้ได้คือความเกลียดคา้างเราต้องมาบำเพ็ญเพียรกันพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้อยู่กับการบำเพ็ญความเพียรดูมันตรงนี้อ่อย่าไปกังวลกับเรื่องทมต่างๆสติปัญญาสมาธิจะได้มากได้น้อย ไม่ต้องสําคัญไม่สําคัญเท่ากับว่าเราบําเพ็ญเพียงเท่าไหร่วันนี้ลองจดต่อไปนี้ลองทําตารางของการปฏิบัติหรือว่าในแต่ละวันนี้เราบําเพ็ญกี่ชั่วโมงกันแล้วมามามาเปรียบเทียบดูว่าเมื่อเราปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราเอามาปฏิบัติได้กี่ชั่วโมง ผู้ที่เขา บ, บรรลุกันนี้เขาเอามาใช้กับการบําเพ็ญเกือบยี่สิบชั่วโมงเขาให้เวลานอนสี่ชั่วโมง น, น, นอกจกนั้นเป็นเวลาบําเพ็ญเพียรพระปฏิบัตินี้ท่านไม่มีภารกิจอย่างอื่นถึงแม้จะมีภารกิจบ้างท่านก็บําเพ็ญเพียรไปกับการบําเพ็ญทาภารกิจต่างๆจนเวลาเบนตบาทท่านก็บําเพ็ญเพียรด้วยการมีสติ ด้วยการพิจารณาปฏิกูลของอาหารเวลาเวลาญาติโยมใส่กับโค้งกับข้าวอาหารที่กิเลสชอบก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามากแก้ทันทีพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารถ้าไม่ได้ใช้ปัญญาก็มีสติอยู่กับการเปิดฝาบาตเปิดปิดฝาบาตรรับข้าวรับของกับการเดินไปบิณฑบาต อันนี้ก็บำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลาท่านบำเพ็ญได้ยี่สิบชั่วโมงต่อหนึ่งวันเสียเวลาสี่ชั่วโมงไว้สำหรับพักผ่อนหลับนอนบางองค์นี้ท่านถึงกับถือเนสัตชิกถือถือปฏิบัติสามอิรยาบทคือยืนเดินกับนั่งจะไม่จะไม่นอนจะไม่เอ็นหลังเวลาที่จะหลับมันก็เลยน้อย แทนที่จะหลับวันละสี่ชั่วโมงก็อาจจะหลับแค่สองชั่วโมงหลับในท่านั่งนั่นแหละเอาเวลานี้อีกสองชั่วโมงนี้ม า, ม า, มาบําเพ็ญเพิ่มขึ้นอีกนต้องดูอย่างนี้ไปศึกษาประวัติของพระสาวกแต่ต้องรูปดูว่าท่านบําเพ็ญเ พ, เพียรกันอย่างไรนท่านบาเพ็ญเพียรแบบเราหรือท่านบําเพ็ญเพียรแบบของท่านผลมันเป็นอย่างไรมันต้องศึกษาต้องเทียบเคียงดู ไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติได้วันลนะชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เราก็บอกมากแล้วสุดโต่งแล้วบางคนบอกว่าสุดโต่งแล้วถ้าอย่างนี้สุดโต่งแบบอะไรแบบกี่เลนสสุดต่งแบบบาเพ็ญไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสักทียิ่งต้องดูการบําเพ็ญของพระพุทธเจ้าของพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระ สาวกพระภิกษุที่บวชในบวรพุทธศาสนานี้ให้พักผ่อนหลับนอนขึ้นละสี่ชั่วโมงเท่านั้นเองตั้งแต่สี่ทุ่มถึงสองสองตีสองนีเป็นเวลาพักผ่อนของพระปฏิบัติตั้งแต่6โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนีเป็นเวลาบำเพ็ญเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติสมาธิปัญญาตั้ตีสองถึงหโมงเช้าก่อนที่จะออกบินบาน ก็ให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเวลาออกบินฑบาดก็ให้เจริญสติเจริญปัญญาต่อไปเวลาเดินบินทบาดเวลากลับมาขบฉันที่ศาลาก็บำเพ็ญจะเจริญทาทุกอย่างด้วยสติใจจดจ่ออยู่กับการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะทํากิจอะไรก็ตาม ฉันกำลังฉันกำลังเตรียมอาหารฉันกำลังขณะที่ฉันฉันเสร็จแล้วเอาบาตรไปล้างไปเช็ดไปเก็บเข้าสลกบาตรมาทำความสะอาดสารากวาดถูสาลาจนกว่าจะเสร็จภารกิจก็กลับไปสู่ที่พักขณะเดินไปก็มีสติกับการเดินไปถึงที่พักก็เอาข้าวเอาของเก็บไว้ด้วยสติเสร็จแล้วก็ออกมาเดินจงกรมต่อ เดินไปจนกระทั่งเหนื่อยก็กลับมานั่งทําอย่างนี้ไปจนถึงเวลาที่ต้องไปปัดกวาดลานวันก็ออกไปปัดกวาดลานวันปัดกวาดเสร็จมีน้าปานะให้ดื่มให้ฉันก็ดื่มไปขณะที่ดื่มที่ฉันก็ดื่มด้วยสติไม่คุยไม่คุยกันต่างคนต่างดื่มดื่มใจก็ต่างคนก็ต่างแยกกันไปกลับไปสงน้ํากัน ลงน้ําซักผ้ากันเสร็จแล้วก็กลับเข้าที่พักกลับเข้าสู่การเดินจมกรมนัน่งสมาธิจนถึงสี่ทุ่มนี่คือวัตถะของพระปฏิบัตินี่แต่การปฏิบัติอยู่ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่พักผ่อนหลับนอนเท่านั้นเองนการมันเป็นอย่างนี้จึงทําให้ท่านเหล่านี้ได้บรรลุเป็นเป็น พระอรหานเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้ากันเวลาที่ร่างกายท่านตายไปแล้วกระดูกของท่านบางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะคํานึงควรที่จะพิจารณาอย่าปล่อยให้กิเลสมันหลอกเราคิดอะไรไปตามความรู้สึกโดยที่ไม่มีหลักฐานมาเปรียบเทียบ เวลาเราปฏิบัติได้ไม่กี่วันก็บอกว่ามากแล้วพอแล้วไม่ดูคนที่เขาปฏิบัติคนที่เขาบรรลุกันว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไรโดยสรุปก็คือเราต้องมีความเพียรตลอดเวลาจะเพียรมากเพียรน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราก่อนมีกำลังน้อยแล้วอยากจะเพียรมากมันเพียรไม่ได้มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเปล่า ต้องรู้กำลังของเราว่าตอนนี้เราเพียนได้เท่าไหร่เราก็เพียนไปเท่านั้นแล้วก็ค่อยเพิ่มมันไปทีละขั้นทีละตอนเพิ่มจากทีละชั่วโมงไปก็ได้เพิ่มเป็นทีละชั่วโมงสองชั่วโมงเพิ่มเป็นวันไปเพิ่มมันไปตามลาดับเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยมันง่ายถ้าไปเพิ่มแบบพวดพราตนี้บางทีมันยากทำไม่ไหวแล้วมันจะเกิดความท้อแท้ขึ้นมาได้ จึงต้องรู้จักประมาณรู้จักกำลังของเราด้วยไม่ใช่บอกว่าปฏิบัติยี่สิบชั่วโมงแต่วันก็ลองทำเลยพอทำแล้วทำไม่ได้ก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาแล้วก็กิเลส ก, ก็มาตัดบทว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาชาตินี้ที่จะปฏิบัติได้ผลอย่างแน่นอนสู้ไปทำบุญทำทานก็พอ ไปหาเงินหาทองหาความสุขกับลูกกับเมียกับภรรยาดีกว่าทำไมต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับการปฏิบัติที่จะไม่เกิดผลเหมือนจะคิดอย่างนั้นนี่คือกับดักของกิเลสถ้าเราไม่ละวัตระวังมันจะหลอกเรามันจะดึงเราไว้ไม่ให้เราได้ไปบำเพ็ญได้ไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้น สางที่ดีต้องคอยดูพระพุทธเจ้าดูพระอริยสงสาวกเสมอเวลาที่เราจะยกธงขาวดูว่าพระพุทธเจ้าท่านยกธงขาวหรือเปล่าดูว่าพระอรหันตสาวกท่านยกธงขาวกันหรือเปล่าถ้าท่านไม่ยกธงขาวเราก็อย่าไปยกธงขาวถ้าเราอยากจะได้ผลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับผลทุกยากลําบากอย่างไรก็ต้องสู้กับมันไปทนมันไป มันเพ่นไปแล้วผลไม่เกิดก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันขอให้มีการบาเพ็นไว้ก็แล้วกันแล้วต่อไปมันก็จะดีขึ้นไปเองการปฏิบัติมันก็มีทั้งงายยากัง่ายในตัวเราคนเดียวกันนี่แหละบางวันก็ง่ายบางวันก็ยากะบางวันกิเลสก็ออกมาต่อต้านบางวันมันก็ไม่ต่อต้านนั่นเวลามันง่ายก็อย่าไป อย่าไปเหลืองคิดว่ามันจะง่ายไปตลอดเวลามันยากก็อย่าไปคิดว่ามันจะยากไปตลอดก็ต้องรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการมียากบ้างมีง่ายบ้างวันไหนง่ายก็ปฏิบัติให้มันมากวันไหนยากก็เอาเอาให้มันน้อยหน่อยก็ได้ผ่อนสั้นผ่อนยาวไปตามากำลังของเราและตามกำลังของกิเลยตั้หาคู่ต่อสู้ของเรา แต่ยังไงก็อย่ายกทงถาวก็แล้วกันอย่าม้วนเสือแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วเลิกปฏิบัติแล้วเลิกเข้าวัดแล้วขอไปเที่ยวดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จบจะไม่มีวันที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปได้แต่ถ้ามีการเพียนอยู่เรื่อยๆเพียนมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสตามเหตุการณ์ตามปัจจัย แถ้าเพียงแบบได้แบบได้ได้ได้มาตรฐานก็ยิ่งดีใหญ่คือไม่ไม่มีการยลดน้อยถอยลงมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับอย่างนี้สแสดงว่าการบำเพ็ญ น, นี้เป็นไปในทิศทางที่ถูกก็เลยทำให้ได้ผลได้กําลังใจที่จะบาเพ็ญอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นไปได้ตามลาดับ แต่ถ้าบําเพ็ญแล้วต้องถอยบ้างต้องต้องลดบ้างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าบําเพ็ญไม่ถูกก็ได้ก็ควรที่จะอยู่ใกล้ครูบาจารย์เวลาเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายควรจะเข้าหาครูบาจารย์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมของท่านก็ดีหรือด้วยการเข้าไปปรึกษาสนทนาธรรมบ้างก็ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่ความเหมาะสม ครูบาจารย์ก็เป็นเหมือนกับโคช้ชของนักมวยเวลาชกบนเวทีนี่เขาก็จะมีเวลาพักให้หนึ่งนาทีเวลานั้นโคช้ชขึ้นไปกระซิบบอกเลยว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้เพราะเวลาต่อยนี่มันไม่มีโอกาสที่จะมาวิเคราะห์ว่าถูกหรือผิดอย่างไรแต่คนดูนี่จะรู้ว่าทําผิดหรือถูกอย่างไรต้องรีบขึ้นไปบอกเลยเนยแก้แล้วก็ไปแก้ปัญหาได้ ท, ทันท่วงที ถ้าไม่บอกเดี๋ยวกลับไปก็โดนแบบเดิมขึ้นมาอีกเพราะไม่ไปแก้จุดบกพร่องนั่นเองเพราะตนเองไม่มีเวลาที่จะมาวิเคราะห์ว่ามันบกพร่องตรงไห น, นแต่โค้ชิดที่นั่งดูอยู่ข้างเวทีนี่จะเห็นเลยว่ามันบกพร่องอย่างนี้พอบอกปับ๊บปอไปแก้ปั๊บก็เอาชนะคู่ต่อสู้ได้ดังนั้นการมีครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ไม่ได้หมนยควาว่าครูบาอาจารย์จะต้องมาโชคกับเรา ชกร่วมกับเรานั่งสมาธิกับเราพาเรานั่งสมาธิพาเราเดินจงกรมอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นการเดินจงกรมการปฏิบัตินี้เราต้องผักดังตัวเราไปไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์มาฉุดมาลากมาคอยเรียกตอนเช้าตีสี่ตื่นขึ้นมาลูกศิษย์ไปออกไปเดินจงกรมมานั่งสมาธิอันนี้ไม่ใช่งั้นครูบาอาจารย์ก็ตายเลยต้องมาคอยลากคนเป็นร้อยเป็นพันะ กูบาลจารย์ก็มีเพียงแต่บอกแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็มาแก้ปัญหาต่างๆประสังต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเวลาที่ได้ปฏิบัติแล้วนี่คือเรื่องของการบําเพ็ญความเพียรที่เป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนทำต่างๆทั้งทำฝ่ายเหตุและทำฝ่ายผลให้เกิดขึ้นมาถ้าขาดความเพียรแล้วทำต่างๆจะเลิกจะวิเศษขนาดไหน ก็จะเป็นธรรมที่มีอยู่ในหนังสือพระไตรปิฎกหรืออยู่ในใจของพระพุทธเจ้าหรืออยู่ในใจของพระอาหารหันตสาวกมันจะไม่มาอยู่ในใจของเราถ้าอยากจะให้ธรรมวิเศษต่างๆเหล่านี้มาอยู่ในใจของเราก็ต้องใช้ความเพียรปฏิบัตินี้เท่านั้นนาเอาธรรมต่างๆเข้ามาสู่ใจของเราจึางขอฝากเรื่องของการบําเพ็ญความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอ และเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเพื่อให้ท่านได้นำเอาไปเพิณพิจารณาเพื่อผลต่างๆอันเลิศอันประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงท่านีีขออนุโมทนาให้พรอนอยาถาวาเรวะหาปุราปาริกปุรเรนติสาควัง เอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิตาเมวะสมิจโตสัะเพประเอ็งโสังกะปาจันโทปันนะระโสยะธาเมณิโชติอาระโสยะธาสัพพิติโยวิวัชจันโุสัพพารวินัสตุ มาเตผวตวันตารายุสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนนีลิตษานิจังุทธาปจายิโนจต้าโรธรมาวัานติอายุวโนสุขังพาลาง ต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านใดมีความสงสัยอยากจะถามปัญหาธรรมก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนได้เลยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ตอบคำถามที่ผ่านที่ถามผ่านมาทาง a ฟ e b o o k ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปกลาบสาตูครับ อ, อาจารย์กระผมนั้นได้นั่งภาวนา มีคำถามอขอคำแนะนำของพ่อนะครับอตอนใช้คำบริกรรมภาวนาเนี่ยใช้พุโทโธพอจิตเริ่มสงบ ก, ก็อยู่กับลมหายใจจนกระทั่งไม่ไม่รู้ลมหายใจไม่มีตัวรู้คืนิ่งไปเลยประมาณเกือบชั่วโมงหลังจากนั้นก็กลับมารู้สึกตัวก็กลับมาเจริญ พูดโทต่อไม่ทราบว่าแนวทางนี้ถูกต้องไหมแล้วก็อยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์นะครับว่าถ้าไม่มีตัวรู้ก็คือตัวหลับตัวหลับนะครับอาจารย์สงสัยอยู่เหมือนกันว่าหลับหรือเปล่าสาธุก็ต้องพยายามอย่าให้ตัวรู้มันหายไปถ้าสงบจริงๆแล้วตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาถ้าตัวรู้ไม่เด่นก็แสดงว่าตัวหลับมันโผล่เป็นมาแทนก็แสดงว่า ไปเจอนิวรันคือความล่วงนอนเป็นเพราะว่าสติเรามีกําลังน้อยเวลาจิตเริ่มเย็ยนเริ่มสบายมันก็เลยหลับไปถ้ารู้ตัวก่อนที่จะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินให้มันตื่นตัวขึ้นมาก่อนแล้วกลับไปนั่งใหม่แต่เดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนเดิมต้องต้องเปลี่ยนที่ปฏิบัติต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัว ถ้ามันน่ากลัวแล้วมันจะไม่หลับเพราะมันจะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าหาที่น่ากลัวไม่ได้ก็ต้องลองอดอาหารดูถ้าอดอาหารแล้วมันหิวมันก็จะไม่หลับเหมือนกันดะงนั้นเรต้องมีอุบายวิธีแก้ปัญหาเหมือนกับกินยาเวลาเราไม่สบายเราก็ต้องหายากินจะเจ็บบ้างก็ต้องทนเอา เวลาไปหาหมอ้องที่หมอก็ต้องฉีดยาบางทีหมอก็ต้องผ่าตัดก็ต้องยอมทนเจ็บเพื่อที่มันจะได้หายขาดไปอันใดการบําเพ็ญเพื่อใจให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งได้นี้บางทีก็ต้องมีอุบายที่ต้องใช้ที่มันทุกข์มันยากมันลําบากเช่นไปอยู่ที่เปรี่ยวที่น่ากลัวหรือต้องอดอาหาร อย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะได้ผลดีถ้าปฏิบัติอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารรับประทานอาหารวันละสามมื้อนี้ก็อย่าไปหวังที่จะได้ผลจากการปฏิบัติอย่างน้อยก็ต้องถือศีลแปดตั้งกดอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วบางทีขนาดนั้นก็ยังง่วงอยู่ถ้า ง, ง่วงก็ต้องพลนอาจจะรับประทานเพียงครึ่งเดียว เคยกินสองจานก็เอาแค่จานเดียวถ้ายังง่วงอยู่ก็อดมันไปเลยวันนั้นไม่ต้องกินอาหารเอาแต่เครื่องดื่มเบาๆดื่มน้าผลไม้อะไรไปพอให้มีกำลังบ้างถ้าจะเอาแบบครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ตามป่าตามเขานี่ยท่านไม่มีอะไรนอกจากน้ำเปล่าท่านก็อยู่ได้ยิ่งดีมันต้องไปกังวล เดี๋ยวพออดอาหารก็มาหาอาหารเสริมกินวุ่นกับเรื่องการหาอาหารเสริมอีกกินนั่นได้หรือเปล่ากินนี่ได้หรือเปล่ายุ่งยากนั้นตัดบทไปเลยเอาน้ำเปล่ า, ลาแล้วมันจะได้ไม่ต้องมากัวงวลกับเรื่องของการรับประทานอาหารการที่จะบำเพ็ญด้วยวิธีนี้จาเป็นจะต้องมีความเจริญสติอย่างต่อเนื่อง ถ้าเวลาใด ไ, ไม่มีสติเผลอมันจะคิดถึงอาหารคิดแล้วมันก็จะหิวจะโหยขึ้นมาทันทีเพราะความหิวเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี้มันหิวที่ใจความหิวที่ร่างกายนี้มันมีน้ําหนักแค่สิบเปอร์เซ็นแต่ที่มันหิวจนทนไม่ไหวนี่ก็คือหิวที่ใจคิดถึงอาหารจานเด็ดลอยมาเถ้าจะแก้ก็ต้องใช้ปัญญา ให้คิดอย่าไปคิดถึงอาหารอาหารที่มันลอยมาอาหารที่อยู่ในจานนี้ต้องพลิกมันกลับไปให้เป็นอาหารที่มันอยู่ในปากอาหารที่มันอยู่ในท้องคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในปากในท้องดูว่ามันเป็นอย่างไรอาหารที่อร่ออร่อยมันก็ต้องเข้าไปในปากแล้วก็ต้องเข้าไปในท้อง เวลาอยู่ในปากก็เคี้ยวกันอย่าง อ, ารอร่อยอร่อยไม่เห็นจะลังเกียดนั้นเลยงั้นก็ลองคายออกมาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงที่มันอ ร, อร่อยอร่อยพอเห็นหน้าตามันแล้วมันก็จะได้หยุดความหิวความอยากกินอาหารได้นี่ก็ครูบายวิธีแก้ความง่วงนอนแก้ความหิวแก้ความง่วงนอนด้วยการอดอาหารพออดอาหารแล้วก็เกิดความหิวอยากขึ้นมาทางใจก็ต้องใช้การพิจารณา ความเป็นปฏิกูลของอาหารแล้วมันก็จะหยุดความหิวทางใจได้หรือนเพราะฉะนั้นก็ต้องเจารานสติพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงอาหารพอเริ่มจะคิดถึงอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปให้มันถี่ยิบไปเลยจนกว่ามันจะไม่คิดแล้วเราก็หยุดถ้าคิดก็ต้องพุโทโธต่อไปเหมือนกับรถที่เราต้องการจะหยุดมัน ถ้ามันไหลเราก็ต้องเหยียบเบรกไว้เรื่อยๆ เ, เหยียบไปจนกว่ามันจะหยุดถ้าหยุดแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้พอมันจะไหลเราก็ต้องเหยียบมันใหม่แต่ในใจเราก็เป็นเหมือนรถที่มันชอบไหลไปทางกิเลสอยู่ด้วยไหลไปทางความหิวความอยากต่งางๆทั้งๆที่ร่างกายก็ไม่ได้หิวก็ไม่เดือดร้อนแต่ใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายแล้วร่างใจก็ไม่ได้กินอะไรกับร่างกายผู้ที่กินก็คือร่างกาย เราต้องใช้สติก็ดีใช้ปัญญาก็ดีแล้วเราก็จะได้สามารถบำเพ็ญทำใจให้เราเข้าสู่ความสงบได้สงบแบบไม่หลับสาธุครับ<ม>อาจารย์กับผมขออนุญาตกราบเรียนท่านอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่พวกเราได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมจากพระอาจารย์ในวันนี้น่าจะเคยปฏิบัติมาแต่อดีตชาติ จึงขอเรียนถามว่าถ้าเราอยากจะในชาตินี้ถ้าหากว่าเรายังไม่ได้โลกุตละเนี่ยนะแล้วก็อยากปฏิบัติธรรมต่อแต่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าในชาติต่อไปเนี่ยเราจะได้เจอครูบาอาจารย์จะมาสอนเราต่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จ ะ, จะเจริญทางด้านการทมากขึ้นไม่ทราบว่าอันนี้พระอาจารย์พอจะแนะนําการปฏิบัติยังไงได้นะครับให้อยู่ในปัจจุบันนะ อ, อดีตมันก็ผ่านไปแล้วแก้มันไม่ได้ เราค้นคมันก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่แน่นอนก็คือปัจจุบันให้จิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ให้เจริญสติให้ปฏิบัติไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้คิดว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอย่ามักวกังวลว่าน้ําปีหน้าจะมาหรือไม่มาปีนี้มีน้ํารีบตักเสียปีหน้ามาไม่มาก็ช่างหัวมันถ้าเราตักพอแล้วมันก็หมดปัญหาไปถ้าไม่ตัก ถ้ตักไม่พอปีหน้ามไม่ไม่ไ ม, มาก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องรอไปจนกว่าจะไปเจอน้ำดังนั้นจึงอย่าประมาทตอนนี้มีโอกาสตักน้ําให้เต็มตุ่มได้รีบตักเสียพอเต็มตุ่มแล้วทีนี้ก็สบายปีหน้าจะมีน้ามไม่มีน้าําก็ไม่เป็นปัญหาอต่อไปสาธุครับอาจารย์ กับธรรมส ก, การพระอาจารย์ครับจากเขาอนุญาตถามเรื่องการภาวนานะครับบางทีภาวนาพุทโธแล้วรู้สึกปวดหัวข้างเดียวมันตึกๆขึ้นมานครับ mm hmm. ก็พยายามพยายามไม่ไม่เพ่งก็คือผ่อนไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังปวดอยู่อย่างยังเมื่อกี้นี้เวลานั่งฟังเทศพระอาจารย์ครับก็พยายามพุทโธด้วยแต่ก็รู้สึกว่าปวดหัวข้างเดียวครับแต่ก็แต่พอพอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็หายไปครับ mm hmm. ไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าเราเพ่งเกินไปหรือว่าเป็นเพราะอะไร่ะครับ มันเป็นเฉพาะเวลาที่เราปฏิบัติเนะว่ามันเป็น เ, เป็นเวลาปฏิบัติครับไม่เคยปวดอัวครงเดียวมาก่อนเป็นแค่เวลาปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งครับเป็นแค่บางครั้งก็ถ้าเราไม่ไปสนใจมันได้ให้เราอยู่กับการปฏิบัติของเราไปคือภาวนาไปแล้วมันจะรู้สึกอย่างไรก็ลองปล่อยมันไปพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตา เราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้ามันไม่ทำให้ร่างกายเราเสียหายหรือเป็นอะไรไปเป็นเพียงแต่อาการที่ทำให้เราไม่สบายรู้สึกอึดอัดเราก็ต้องทนไปอย่าไปสนใจกับมัน เ, ออเพราะมันอาจจะเป็นนิวรนก็ได้เป็ น, เ ป, นเป็นมารที่จะมาขัดขวางการบาเพ็ญของเราก็ให้พุทโธต่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมถ้าพุโทโธมัน ที่ว่าไม่เหมาะกับเราก็เราอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้เช่นดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือสวดมนต์ไปก็ได้ลองอย่างอื่นดูบ้างก็ได้อันอื่นอาจจะเหมาะกับเราก็ได้ อ, อาจจะไม่ถูกเจริญกับเราที่ต้องใช้กับใช้พุทโธก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนองค์ภาวนาดูเปลี่ยนกรรมฐานดู มาเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณกรนกพรขณะที่ดิฉันเดินจงกรมจิตไม่สงบชอบคิดฟุง้งเรื่องที่ตนไม่พอใจอยู่ดิฉันจึงลองกำหนดดวงไฟกลมๆเล็กๆขึ้นมาแล้วให้ไฟนี้วิ่งจากหัวใจไปศีรษะจากศีรษะไปแขนซ้ายจากแขนซ้ายไปแขนขวาจากแขนขวาวิ่งไปเท้าซ้ายจากเท้าซ้ายวิ่งไปเท้าขวา จากเท้าขวาวิ่งไปที่หัวใจวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับบริกรรมพุโทโธรู้สึกจิตสงบไม่ค่อยคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆดิฉันปฏิบัติเช่นนี้ถูกต้องไหมคะถ้าเราได้ผลคือความสำเร็จก็ถูกต้องอุบายของการภาวนาของแต่ละคนอาจจะต้องปรับไปตามจลิตนิสัยของตนคำถามต่อไปจากคุณโคสิต จะต้องพิจารณาอย่างไรถึงจะละสกายะทิฏฐิได้โดยง่ายครับก็ต้องพิจารณาร่างกายนี้ว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นดินน้ำลมไฟต้องพิจารณาจนเห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางได้ก็จะบรรลุได้ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามดิฉันได้ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อมาช่วยกิจการของพ่อซึ่งอายุมากและสุขภาพไม่ดีจึงให้ลูกน้องทําแทนส่งผลให้เกิดขาดทุนต่อเนื่องและมีปัญหาทุจริตเลื้อรังดิฉันไม่มีความสุขกับการทํางานเนื่องจากเข้ากับบิดาไม่ได้ไม่มีความสนิทสนมบิดามีภรรยาน้อยและธุรกิจยังเป็นธุรกิจต้องห้ามตามาศาสนาพุทธ เหตุผลหลักที่เข้ามาช่วยคือเพื่อตอบแทนบุญคุณแต่เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึงมีโทสะและปากเสียงกันบ่อยครั้งเนื่องจากขัดแย้งกันดิฉันคงไม่มีทางเลือกอื่นคงต้องช่วยต่อไปดิฉันเคยคิดที่จะไม่ช่วยทำธุรกิจและกลับไปมีชีวิตของตัวเองซึ่งอาจเกิดผลรุนแรงคือทำให้ธุรกิจเดินต่อไม่ได้ซึ่งก็ดีไม่ต้องทาบาป แต่บิดาอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะยึดติดกับธุรกิจมากจึงคิดว่าคงต้องทําต่อไปจึงขอพระอาจารย์ช่วยแนะธรรมะที่จะนํามาใช้ในกรณีนี้ด้วยค่ะธุรกิจว่าเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้หนี้เขาก็ใช้ไปเมื่อหมดหนี้เมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นเมื่ อ, อยังหนี้ยังไม่หมดก็ใช้ไปเรื่อยๆ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามหลายคนดูซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้าอินกับความร้ายกาจของเทวทัตจนรู้สึกเกลียดจริงๆแล้วน่าจะช่วยกันแผ่เมตตาให้ท่านมากกว่าครุกรรมที่เทวทัตทำไว้จะส่งผลร้ายต่อท่านไปนานแค่ไหนและจะถึงจุดสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เพราะกาลเวลาจึงผ่านมาเพียง 2,558 ปีพุท ธ, ธรรมนายกล่าวว่าเมื่อใช้กรรมหมดแล้วเทวทัศจะได้มาเกิดเป็นพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าพวกเรามาช่วยกันแผ่เมตตาให้เทวทัศได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ผูดพองดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว พวกเราเร่งเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทันทีที่มีโอกาสเถิดดิฉันมีความคิดเช่นนี้เป็นการสมควรหรือไม่กราบขอคําตอบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ด, ด้วยค่ะคือไม่ต้องไปไปโกรธไปเกลียดเขาแล้วก็ไม่ต้องไปแผ่เมตตาให้เขาเพราะมันก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของเขาเขาทําอย่างไรเขาก็ต้องรับผลของเขาไป ที่เราแผ่เมตตานี้ก็เพื่อมาดับความโกรธเกลียดที่เรามีอยู่ในใจของเราต่างหากความแผ่เมตตานี้เป็นยาที่จะมารักษาความผิดปกติของใจเราคือความไม่สบายใจที่เกิดจากความโกรธความเกลียดความมาฆาภพยาบาปต่างๆถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็ต้องแผ่เมตตาเพื่อที่เราจะได้ดับความโกรธเกลียด ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปแผ่ไม่ต้องไปทำอะไรใช้อุเบกขาคือวิจารณาว่าสัตย่อมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าเราไม่มีอุเบกขาเดี๋ยวเราเห็นใครเขาเรับวิบากกรรมเราก็ไปทุกข์กับเขาทุกข์ไปแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงวิบากของเขาแต่อย่างใด ดั้นเราอย่าไปทุกข์กับบาปของผู้อื่นกับวิบากของผู้อื่นให้เรามาทุกข์กับวิบากของเราดีกว่าถ้าเราทําบาปก็พยายามละเสียอย่าไปทําวิบากมันจะได้น้อยลงไปไม่มากเพิ่มขึ้นแล้วต่อไปเวลาวิบากมันส่งผลหมดแล้วเราก็จะได้ไม่มีวิบากกรรมต่างๆอีกต่อไปคําถามต่อไปจากคุณนิชาภา โยมจะนำน้ำประปาเข้าศูนย์ปฏิบัติธรรมระยะทางจากถนนใหญ่3กิโลเมตรมีค่าใช้จ่าย 600,000 บาทมีข้อเสนอว่าถ้าจ่าย 200,000 บาทให้คนบางคนจะขยายเขตให้โดยไม่ต้องไปดำเนินการใดๆอีกเลยซึ่งนี่คือการคอรัปชันโยมจะตัดสินใจไม่จ่าย 200,000 แต่จะยอมจ่าย 600,000 เพื่อไม่สมรู้ร่วมคิดในการส่งเสริมคอรัปชันบางเสียงบอกว่า ไม่ผิดศีล น, นะแต่โยมคิดว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมโยมว่ามันคงต้องมีเวรกรรมถ้าไปส่งเสริมคอรัปชันเพื่อประหยัดเงินของตนเองเห็นแก่ตัวแต่คนอื่นแย้งว่าถ้าเอาน้ำเข้ามาประชาชนในหมู่บ้านก็ได้ประโยชน์โดยที่เราก็จ่ายน้อยด้วยกล่าวขอความเห็นพระอาจารย์ในแง่ของธรรมะสาหรับเรื่องนี้ เมตตาให้แนวทางลูกประกอบการตัดสินใจด้วยค่ะก็ควรที่จะทําทในสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจต้องมีผลเสียหายตามมาในภายหลังเราอาจจะได้ตอนนี้ประหยัดเงินตอนนี้แต่เอาอาจจะต้องเสียมากในข่าวหน้าก็ได้ดังนั้น สังคมเรามีกฎมีระเบียบมีกติกาเราควรที่จะปฏิบัติตามกฎกติกาเพราะกฎกติกานี้มีไว้เพื่อให้เราอยู่รอดกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นถ้าเราต้องเสียมากก็เสียไปอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจว่าเราได้ทําถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรต่อไปเกิดมีการตรวจสอบย้อนหลังอะไรขึ้นมา เราก็จะได้ไม่ต้องมากัางวลมาเดืดร้อนคำถามต่อไปจากคุณหลงรักเธอถ้าเคยบวชเน อ, อยู่9ปีศึกษาปฏิบัติมาพอสมควรแต่ในด้านการปฏิบัติกลับทำผิดพระวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นประราชิกแต่สำนึกผิดได้หันมาปฏิบัติ ทานศีลภาวนาอย่างจริงจังแบบนี้สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมครับหรือว่าชาตินี้ประตูสวรรค์ประตูนิพพานปิดเรียบร้อยแล้วครับเท่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าปราชิกแล้วก็เท่ากับการปิดประตูนิพพานแต่ถ้าเราสามารถแต่ก็มีธรรมในข้อหนึ่งบอกว่า ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันก็บรรลุได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเอาบทไหนดี <c oughs> ถ้าเราประาชิกแล้วแต่เราคิดว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เราก็ยังบรรลุได้อย่างที่มีธรรมที่หลวงตาชอบพูดว่าตามใดที่ยังมีการปฏิบัติทมสมควรแก่ธรรมอยู่ตามนั้นผ้าหลานจะไม่ปราสะจากโลกนี้ไป งั้นก็เลือกเอามันมีธรรมที่มันฟังแล้วก็มันขัดแยง้แยงกันแต่ว่าจะว่าขัดแย้งก็มันก็ไม่เชิงที่ว่าผู้ที่บาราชิกแล้วนิตัดนิพานก็คือว่าพวกนี้ยากที่จะกลับมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่ก็อาจจะมีกรณียกเว้นอย่างองค์คุลิมานอย่างนี้ฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแล้วก็ยังกลับพลิกใจให้มาบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้งั้น คำพูดต่างๆนี้อาจจะเป็นคำพูดสำหรับคนส่วนใหญ่แต่อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนบางคนคำถามต่อไปจากคุณเข็มเมื่อรู้ว่าคิดไม่ดีให้หยุดปรุงแต่งต่อเลยใช่ไหมเจ้าคะแต่มันชอบแอบแถมต่อนิดๆหน่อยๆค่ะขอบายพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะ ก็ต้องใช้คําบริกา ร, รมอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธหรืออะไรก็อย่าไปต่อรองอย่าไปเสียดายเพราะถ้าไปถ้าไปเสียดายแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลับไปคิดมากขึ้นได้เพราะรู้ว่ามันเหมือนกับไฟกําลังจะลุกก็รีบดับมันเลยดีกว่าอย่าปล่อยให้มันยังมีมีลุกไหมยังมีไหมอยู่เล็กๆน้อยๆเพราะเดี๋ยวเราเผลอมันก็จะลุกใหญ่ขึ้นมาเป็นไฟใหญ่ได้ ถ้าท่านมีไฟเกิดก้นนี้เราต้องดับมันเลยดับมันอย่างเดียวอย่าไปเสียดายคำ <c oughs> ถามต่อไปจากคุณอดอเอเทิร์สนิฉันได้ทำแหวนมาใส่โดยการสลักคำว่านิพานเป็นภาษาอังกฤษลงบนแหวนแต่มีคนทักว่าไม่เหมาะสมเป็นคำที่สูงมากและมาใส่ตัวเราคือของโซกโปร ต้องเอาไปเก็บบูชาไม่ควรอย่างยิ่งและห้ามลบด้วยดิฉันเลยรู้สึกจีดตกไม่สบายใจมากดิฉันควรทําอย่างไรดีคะไปลบคําออกหรือใส่ปกติหรือเอาไปบูชาถ้าถ้าจะาไปบูชาก็ต้องปฏิบัติบูชาอถ้าไม่ลบก็ใส่ไปก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนมั น, เ ป, นเป็นเพียงแต่ คำเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่ประโยชน์บางทีถ้าเรานึกถึงคำว่านิพพานอยู่เรื่อยๆ เ, เรากระตุ้นให้เราเกิดความเปลี่ยนขึ้นมามันก็ไม่น่าจะเสียหายตรงไหนขอให้ดูการปฏิบัติการประพฤติของเราจากการที่เรามีแหวนวงนี้สวมใส่ดูว่าทำให้เรามีความเปลี่ยนมากขึ้นหรือทาให้เรา มีความเกลียดข้านมากขึ้นโดยตามสวนไปแล้วมีโทษกับเราทางจิตใจก็ควรที่จะเอาไปบอยจาคบอยจาคคำถามต่อไปจากคุณชีวิตใหม่ข้อแรกพที่ท่านบนรรลุธรรมมาท่านต้อง เคร่งในศีลแต่ปัจจุบันสื่ออำนวยความสะดวกเยอะจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่าท่านบนรรลุธรรมผ่านมาได้นี้ไม่ใช่ปฏิบัติเล่นๆเพียงแต่ท่านไม่บอกว่าบำเพ็ญเพียรเผากิเลสแบบใดมาบ้างทุกรูปต้องผ่านแบบนี้มาใช่ไหมครับรวมถึงคาราวา ด, ด้วยใช่ไหมครับถึงจะบรรลุธรรมก็ต้องบำเพ็ญเพียร เ, เพื่อให้ได้ศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา แต่ละคนก็มีวิธีการบำเพ็ญเพียรที่แตกต่างกันไปบางคนก็ต้องอทุ่มเทมากบ า, บางคนก็ทุ่มเทน้อยอย่างที่ได้พูดไว้แล้วว่าอยู่ที่มีกิเลสหนาะปัญญาทิพย์หรือว่ามีกิเลสบางปัญญาแหลมคมถ้าพวกกิเลสบางปัญญาแหลมคมนี้ก็บรรลุได้ง่ายได้เร็ว พวกที่กิเลสนาะปัญญาเทือก บ, บันฑุได้ยากต้องใช้ความเพียรมากต้องทรมานมากจิตมันถึงจะยอมข้อที่สองจุดประสงค์การรักษาศีลแปดเพื่อยกระดับจิตไม่ใช่หวังเอาตัวศีลว่าได้มากหรือได้น้อยใช่ไหมครับคือศีล น, นี่เป็นเหมือนกับตัวเป็นรั้วกั้นกิเลส เราจะจับกิเลสนี้เราต้องจับมันขังไว้ในข้อก่อนแล้วมันจะจับมันง่ายถ้าไม่มีรั้วไม่มีข้อปล่อยให้มันวิ่งไปไหนก็ได้เวลาจะไปตามจับมันนี่มันยากเวลาเขาจะจับปลานี่ก็ยังต้องไปทาเขาเรียกอะไรทาโป๊ทาอะไรเพื่อที่จะให้ปลานี้มันเข้าไปอยู่ในโป๊ เมื่อเข้าไปอยู่ในโป๊ะแล้วเขาก็เข้าไปจับในนั้นมันง่ายกว่าที่ไปจับในท้องทะเละังนั้นศีลที่ก็เป็นเหมือนโปะเหมือนรั้วที่เราจะเอาไว้กั้นกิเลสเพื่อที่เราจะได้ฆ่ากิเลสได้ทำลายกิเลสได้ศีลห้าก็เป็นรั้วที่กว้างที่ใหญ่กว่าศีลแปดศีลแปดนี้ก็จะแคบลงมาศีลยิ่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้แคบลงไปเรื่อยๆก็จะทาให้การ ค่ากิเลสมันง่ายขึ้นนี่คือความแตกต่างของศีล ต, ต่างๆศีลห้าศีลห้าก็เป็นรั้วที่ใหญ่กว้างใหญ่หน่อยศีลแปก็แคบเข้ามาศีลสิบก็แคบเข้าม า, า, ามากขึ้นศีลสองร 7, ้อยี่บเจ็ดศีลสามร้อยกว่าก็ยิ่งแคบเข้าไปใหญ่เพื่อที่จะได้เราจะได้จับกิเลสมาฆ่าเพราะกิเลสนี้เป็นข้าศึกศัตรูของเรา ตัวที่ทําให้จิตใจเราไม่สงบถ้าตัวที่ทําให้จิตใจเราทุกข์ไม่มีความสุขก็คือตัวกิเลสนี่เราก็ต้องอาศัยศีลเป็นเครื่องมือแต่ศีลอย่างเดียวไม่สามารถฆ่ามันได้เพียงแต่ร้อมคอกมันไว้เท่านั้นเมื่อเราร้อมคอกมันได้เราขั้นต่อไปเราก็ต้องจับมันไปถ้าเป็นวัว น, นี้เราก็อาจจะต้องจับมันไปมัดไว้กับเสาก่อนให้มันนิ่ง เมื่อมันนิ่งแล้วเราก็จะได้ค่ามันได้ฟันมันได้ถ้าเราได้สีแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องจับกิเลสที่มันอยู่กับจิตนี้มาให้มันนิ่งจับมันมันวัดมัดมันวัดอยู่กับที่มันวัดไว้กับเสาการนั่งสมาธิการทำใจให้สงบนี่ก็เป็นเหมือนกับมัดกิเลสไว้ไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันวิ่งหนีแล้วพอมันนิ่งแล้วเราก็ใช้ปัญญามาตัดศีสัเหมือนค่ามันได้ ไม่มีอะไรจะฆ่ากิเลสได้นอกจากปัญญาสมาธิก็เพียงแต่จับมันผูกมันไว้ให้อยู่เฉยๆศีนก็กำจัดบริเวณไม่ให้มันออกไปเพ่นพ่านที่จะทำให้การจับมันยากข้อที่สามถามเรื่องศีน8แปครับมีพี่คนหนึ่งที่เคยบวชที่วัดป่าบอกว่าถ้าถือศีนจริงๆแม้พวกโทรศัพท์หรือถือโทรศัพท์ก็ไม่ได้ไม่ผ่านแล้ว ขอความกระจ่างด้วยครับเพราะทำงานด้วยเป็นคาราว่าต้องพกครับรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางธรรมครับคือการถือศีลแปลนี้ก็คือเราต้องการปิดทวารทั้งห้าคือตาหูจมูกนิ้นกายไม่อยากจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดตันหาความอยากขึ้นมาได้เพะั้นโทรศัพท์นี้มันก็เป็นเหมือนกับการเปิดทวารทางหูได้ แต่ปรับรู้เรื่องนะั้นเรื่องนี้ก็จะเกิดกิเลสตัณหาปรากฏขึ้นมาได้ถ้าอยากที่จะตัดปัญหาเหล่านี้ก็ปิดเครื่องเสียออย่าไปเปิดมันอย่าไปใช้มันขอให้คิดว่าเราตายจากโลกนี้ไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจว่าโลกนี้จะอยู่หรือไม่อยู่ใครจะเป็นใครจะตายไงไม่ต้องไปสนใจ เพราะถ้าเราส่งใจออกไปทางทวารแล้วมันจะดึงกลับเข้ามายากการปฏิบัตินี้เพื่อดึงใจให้กลับเข้ามาข้างในแต่การการเปิดทวารการไปรับรู้เรื่องราวต่างๆนั้นเป็นเหมือนกับการเปิดประตูให้ใจมันดิ้นออกไปข้างนอกถ้ามันออกไปข้างนอกมันก็จะไม่สงบที่เราปฏิบัตินี้เพื่อดึงใจให้เข้าข้างในดังนั้นเราต้องปิดทางออกของมัน ท่าทางนะคับก็ตาหูจมูกลิ้นกายศินแปดนี้ก็มีไว้เพื่อที่จะปิดทวารทั้งห้านี้เพราะกิเลสมันจะชอบออกไปทำตามทวารทั้งห้านี้เพื่อไปทํากิจที่มันอยากจะทําเช่นไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไปรับประทานอาหารแบบไม่มีเวล่มไม่มีเวลาไปดูพวกมอห์ลสบบันเทิงต่างๆเนี่ยเป็นการออกทางทวารทั้งห้าแล้ว เราก็ต้องถือศีลแปดถือศีลแปดก็จะปิดมันออกไปไม่ได้แต่มันก็ยังไม่ตายมันก็ดิ้นอยู่ข้างในดิ้นอยู่ข้างในก็ต้องจัดมันด้วยสติมามัดให้มันเป็นสมาธิให้มันสงบสงบแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปฆ่ามันอีกทีหนึ่งมันถึงจะตายอย่างถาวร คำถามต่อไปจากคุณเทียนอองพ่อหรือแม่หาทิ้งลูกไปลูกมีโอกาสตอบแทนได้บ้างควรตอบแทนตามกำลังหรือช่างเถอะเวงกรรมไรเวงกรรมมันคะไขทิ้งไขจะฟังไม่เข้าใจนะพ่อหรือแม่หากทิ้งลู ก, ลกใช่ค่ะแล้วทําไมทิ้งลูกแล้วหากลูกมีโอกาสตอบแทนได้บ้างควรตอบแทนกรรม ตามกําลังหรุนช่างเถอะเวงกรรมใครเวงกรรมมันคะตอบแทนอะไรบุตอบแทนบุญคุณของพ่อของพ่อค่ะของพ่อทิ้งเราี่เขาทิ้งเราคือเขาทิ้งไม่ทิ้งเราเขาก็มีบุญคุณกับเราอยู่แล้วเพราะการให้กําเนิดกับเรานี่ให้ชีวิตกับเรานี้ก็เป็นบุญคุณอย่างใหญ่หลวงแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีปัญญาเลี้ยงเราเขาทิ้งให้เราเป็นเด็กกำพร้านี่บุญคุณที่เ้าให้กําเนิดกับเรานี้ก็ยัง เป็นบุญกุลที่ใหญ่หลวงอยู่ที่เราควรที่จะตอบแทนทุกโอกาสทุกเวลาถ้าเราสามารถที่จะทำได้คำถามหมดพอดีเวลาก็ใกล้หมดพอดีวันนี้ต้องขออภัยหน่อยนะเพราะว่าสังขารมันเริ่มก่อกวนนิดหน่อยก็เลยต้องผ่อนคลายมันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจะนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอดอะเพิ่มเติมนะครับจากเมื่อวันอังคารที่ผมมาขออนุญาตอาจารย์บวชครับ และพระอาจารย์นอน่ญาตผมแล้วและทีนี้ที่ที่ผมมีปัญหากับผู้หญิงอยู่ครับแล้ววันนั้นที่ผมบอกว่าผมยังเป็นห่วงเขาอยู่ครับทีนี้ผมก็กลับไปพูดเคลียร์กับเขาครับคือผมก็หลังจากที่ผมพูดเคลียร์เขาแล้วผมก็คิดว่าผมเริ่มจะตัดใจจากเขาได้แล้วครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือเหมือนกับเขายังไม่ยอมไม่ยอมจะตัดใจจากผมครับไม่ทราบควรจะ เ, เขาไม่ตัดไม่เปลนไรขอให้เราตัจดจกันกัน เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ครับ <Like. S 2> แต่เราห้ามใจเราได้สั่งใจเราได้ครับ <Like. S 2> อยู่ที่ว่าเราตัดได้จริงรึป่าวปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราครับ <Like. S 2> ถ้าเราไม่เอาเขาแล้วต่อให้ช่างมาฉุดให้ไปเราก็ไม่ไปนะครับ <Like. S 2> แต่ถ้าเราเรายังมีเยื่อยายอยู่นี่ไม่ต้องมีฉุดหรอกเดี๋ยวมันก็ไปเองเข้บใจไหมขอบคุณเอ อย่าประมาทมันคิดมันอย่างวันนี้พรุ่งนี้มันจะเปลี่ยนใจอะไรย่งกลัวหรือเปล่เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะไม่ใช่พอเริ่มวิ่งปั๊บก็ถือว่าจะจะชนะแล้วไม่ใช่มอะไรนะขอถามนิดนึงพี่มีที่คนหนึ่งอ่ะถ้าเป็นสีข้อสามในประจำถ้าเข้าเป็น อเขาบอกว่าผู้ชายผมอยากผมว่ามันผิดหรือเปล่านี่ยอาจารย์คือผู้ชายเขาแบบเอเขามีเมียมีเมียอยู่แล้วอแต่ผู้หญิงเนี่ยคือเขาเหมือนจะเลิกกับสามีเขาแล้วเนี่ยแต่ว่าคุยกันให้กำลังใจกันตอนถ้าไม่ได้นอนนอนร่วมกันก็ไม่เป็นไรเขาไม่ผิดศีลนะคะไม่ผิดศีลอะคือผิดศีลต้องไปนอนร่วมหลับนอนร่วมกันร่วมเพศกันร่วมเพศสัมพันธ์กันถ้าคุยกันให้กำลังใจกันนี่มันไม่ไม่ผิดอะ แต่ว่าก็ควรจะระมัดระวังความรู้สึกของสามีของภรรยาถ้าเราทำควรจะเปิดเผยให้สามีภรรยาของเรารู้ด้วยว่าเรามีกับเขาเพราะความสงสารเนื้อกระอาจารย์รักเหมือนคิดว่าถ้าเท่าเหมือนเรามาคุยกันแล้วก็ทำให้เขาหมดรักแล้วก็ทะเลาะ ก, กันทั้งนั้น <c oughs> ไม่ควรจะไปพูดให้เขาตางแยกสามวัคีกันควรจะพูดให้เขารักกันสามัีกัน พอการแตกแยกนี่มันเป็นทำให้ทั้งสองฝ่ายทุกน์แต่ถ้าสองคนการบหันหน้ากับเข้าหากันได้รักกันได้ทั้งสองฝ่ายก็จะมีความสุขในคนพูดเขาเรียกว่าพูดสอเสียดเนี่ยพูดสอเสียดนี่แปลว่าการพูดยุยงให้เกิดความแตกสามารถที่จเกิดแต่ความรักกันไม่ควรจะพูดควรจะพูดให้เทารักกัน เพ่งเขาโกรธสามีเขาก็บอกให้เขา้าใจก็เถิดเดี๋ยวกว็จะดีเองอย่างงี้อย่างี้อย่าอย่าไปยุ่งอะเลิกกันไปเลยอย่างเี้มาอยู่กับเราก็ได้เขาสื่งขงเาสามีถ้าเมียมานอนด้วยกันคือผิดแต่ถ้าแบบเือนชู้เป็นชู้กันแบบเพื่อไปชู้มันก็เหมือนกันแหละทาไลอะไรที่เหมือนว่าอ๋อถ้าคุยกันเล่นกันอะไรยังไม่เป็นไรหรอกอ๋อให้กำลังใจอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์แตทางที่ดีควรจะบอก สามีหรืภรรยาของเขาหรือของเราให้รู้ว่าเราไม่มีอะไรกันเปิดเผยว่าเป็นเพื่อนกันเพราะบางทีเข้าใจผิดได้ก็อาจจะคิดว่ามีอะไรกันหรือปล่าคือคืออย่างนี้พระอาจารย์คือว่าที่พี่เขาเล่าผมฟังว่าอ่าเขาแต่งงานด้วยความไม่รักในรักกันอแล้วก็จะอยู่กันก็จนมีลูกแล้วก็บังเอิญ เขาเป็นแฟนเก่ากันอย่างเงี้ยพอาจารย์แล้วก็ก็หยาดกันก่อนสิถ้าไม่รักกันก็อยาดกันแล้วก็ไปแต่งงานใหม่เอาละมันจะยากไหมผมก็ไม่รู้ผมว่าเขาก็ถามผมว่าผมว่าผมก็กลัวบอกว่ามันจะบาปหรือเปล่าพี่ไปคุยกับเขาเรื่อยๆไปให้เขาหวังให้อะไรเขาอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาจะเลิกกันแล้วพี่ก็จะบาปหรือเปล่าเนี้ยครับก็อยู่ที่เจตนาเราเราต้องการให้เขาเลิกกันแล้วมาอยู่กับเราหร ใช่ไหมคือตรงนี้ใช่ไหมครับที่สําคัญสําคัญเราควรจะให้เขาอยู่ร่วมกันเพราะเขาก็เป็นคู่ครองเหมือนกันแล้วกันแล้วเขามีครอบครัวอะไรกันแล้วเราควรจะตัดอะไรก็ตัดก็ออกไปจากใจเราได้แล้วนอกจากว่าแฟนเขาตายไปแล้วก็กลับมาแต่งงานกับเราใหม่นีก็เป็นเรื่องค อย่าไม่ควรไปยุให้เขาอยากันเลิกกันแล้วมาอยู่กับเราอันนี้คือบาลดกระแสนมันก็ยังไม่บาปเพียงแต่ว่ามันมันก็ทําให้ทําลายครอบครัวทําลายความรู้สึกของผู้อื่นทั้งและผู้อื่นก็ต้องทุกข์แต่ยังไม่อยู่ในครอบข้อาการรมเองยังไม่ผิดการมเองแต่แต่เป็นการกระทําที่รุ่งร้งกับผู้อื่นขาดความเมตตาอย่างนี้อยู่แบบไม่มีความเมตตาตตเอาแต่ประโยชน์ใส่ตนเอง เราบางทีว่าเราทำอะไรกับใครถ้าวันนึ่งมันก็จะถูกเขาทํากลับเนะ<อ>นี่ยกฎแห่งกรรมมันมีอยู่นะอย่าไปทําร้ายผู้อื่นอย่าไปคิดร้ายต่อผู้อื่นอย่าไปพูดร้ายต่อผู้อื่นพระอาจารย์ครับ <c oughs> การขอรับชานนี้มันบาปใช่ไหมพระอาจารย์มันก็ขโมยขอรับชามันเองเอาเงินของคนอื่นที่ไม่ได้เป็นของที่เจ้าของเขาไม่อนุ ญ, ญ, ญาตให้เอามามันก็เหมือนขโมยเงินทองแต่ที่ผมเจอเนี่คือที่เห็น คงคงพบนี้เขาคงไม่ได้สวยกรรมนะพระอาจารย์เพราะว่าที่ผมพยดเนี้ยมีมีจริงเขาอยู่ทำงานแล้วก็อยู่จัดซื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาเขาได้เวลาขายซื้อขายที่ดินอะไรเขาก็จะได้เงินเยอะแล้วก็ได้รถได้อะไรเนี้ยเพราะว่ามันคงยังไม่เห็นผลนะพระอาจารย์นะใช่กรรมบางอย่างมันช้ากรรมบางอย่างก็เร็วใช่ แต่มันต้องมีผลแน่ๆไม่ช้าก็เลยให้ชื่อกดแห่งกรรมไว้เราทำแต่กรรมดีไว้ดีกว่รารักษาสีนห้าไว้ให้ได้ก็จะปลอดภัยครับผมก็เหมือนครูบาอาจารย์ท่านก็จะพูดนะว่าถ้าถ้ารักษาสีนห้าได้ยังน้อยก็ปิดอบายพูดนะอธิอบายได้ครับ